พระบัญญัติห้าหก็ภิกษุผู้ใช้ให้ทําสันถัดใหม่พึงเอาขนเจียมดําล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ถ้าเธอไม่เอาขนเจียมดําล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สแล้วให้ทําสันถัดใหม่ต้องอบัตนิสักยปาจิตตีเรื่องพระชพคีจบ